อนาปติวานพิกชนีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 1.012 1. พิกษอชนีสละแล้วหลีกไป 2. พิกชนีหลีกไปเมื่อมีอันตราย 3. พิกชนีแสวงหาผู้ดูแลแทนแล้วไม่ได้ 4. พิกชนีผู้เป็นไข้ 5. พิกชนีผู้มีเหตุขัดข้อง 6. พิกชนีวิกลจริต 7. พิกชนีต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ